กราบอภัท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจบุญสอ์ ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31มบมีนาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของพุทธศาสนกิกชนเพื่อตักโอ้ผลประโยชน์ที่เกิดพึงได้จากพระพุทธศาสนาด้วยการมาทำบุญให้ทานมารักษาสิงมาฟังเท็จฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ การฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งดังที่ได้ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรมวัวนัเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต เพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทําให้เราได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วถ้าเราฟังซ้ําอีกถ้าเคยฟังแล้วแต่ได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปจะกําจัดความสงสัยทําให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ทำให้จิตใจสงบมีความสุขมีความผ่องใสนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมสวรรขึ้นมาคือวันฟังธรรมที่เราเรียกกันว่าวันพระเพราะในสมัยพระพุทธการในสมัยโบราณเราใช้ ปฏิทินทางจันทรคติเรานับวันตามการโคจรของดวงจันทร์เช่นมีวันขึ้นแรงของดวงจันทร์วันขึ้นก็หมายถึงวันที่พระจันทร์สว่างวันแรงก็คือวันที่พระอาจารย์มืดเดือนหนึ่งก็จะมีวันพระอสี่ครั้งคือวันขึ้น ขึ้น15บ้าค่ำแรง15้าค่ำแล้วก็วันขึ้น8ปดค่ำแรง8ปดค่ำแต่เนื่องจากสมัยปัจจุบันนี้เราได้เปลี่ยนการานับวันเวลาจากจันทรคติมาเป็นสุริยคติเรานับตามโคโจรของดวงอาทิตย์เราอย่งนี้แบ่งแบ่งไว้เป็นอาทิตย์และเจวัน และเราหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันซึ่งมักจะไม่ตรงกับวันพระเพราะวันพระนี้จะเลื่อนไปตามวันขึ้นแรงเราจึงไม่ได้มีโอกาสได้หยุดทำงานเพื่อมาทาหน้าที่ของชาวพุทธก็คือมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันโอกาส ที่เราจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมจึงมีน้อยลงไปดังนั้นในสมัยปัจจุบันนี้เราจึงต้องปรับการถือวันพระของเราให้มาตรงกับวันหยุดการทำ ง, งานของเราเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่เราในเวลาว่างจากภารกิจการงาน ก็ให้เราถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เราไม่ต้องทำงานนี้เป็นวันพระของเราเป็นวันที่เราจะามาวัดเพื่อมาทำสิ่งที่เป็นมง ค, คลแก่ชีวิตของเราก็คือการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะขาดความรู้ที่สำคัญที่จะ สอนที่จะพาให้ชีวิตของเราเก้าวขึ้นไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงเพราะชีวิตที่แท้จริงของเรานี้ก็คือดวงจิตดวงใจของเราไม่ใช่ร่างกายของเราร่างกายของเรานี้เป็นเพียงอาที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น แต่ที่เป็นตัวเราของเราที่แท้จริงก็คือใจและใจนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราไม่เข้าฟังเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ความจริงอันนี้เราจะหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลย ทุมทท่มเทเวลาชีวิตจิตใจของเราให้กับการดูแลรักษาร่างกายและหาความสุขทางร่างกายโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจสร้างความทุกข์ให้กับตัวของเราดังที่เป็นอยู่กับพวกเราทุกวันนี้มีใครบ้างที่สามารถพูดได้ว่าไม่มีความทุกข์ใจเลย มีแต่ความสุขใจไม่มีใครพูดได้เพราะว่าไม่มีใครดูแลรักษาใจอย่างจริงจังจริ ง, ร ง, รงยกเว้นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกเท่านั้นที่สามารถพูดได้ว่ามีความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านเห็นความสาคัญของจิตใจ ท่านเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวสำคัญไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความสุขทางร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถ้าใจมีความสุขดังนั้นท่านจึงใช้เวลาทั้งหมดให้กับการดูแลรักษาใจแทนที่จะมาดูแลรักษาร่างกาย ที่จะรักษาอย่างไรก็จะไม่สามารถรักษาได้เพราะด้านกายนี้ในที่สุดก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและก็จะต้องตายไปความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายก็จะหมดสภาพไปใจที่ไม่ได้ดูแลใจของตนมัวแต่ไปดูแลร่างกาย ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจตลอดเวลาอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่พวกเราทุกวันนี้เราทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลรักษาร่างกายทุ่มเทเวลากับการหาความสุขผ่านทางร่างกายกเช่นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวร เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวเช่นเวลาได้พบได้สัมผัสกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีความสุขแต่พอไม่ได้สัมผัสความสุขที่ได้รับจากการสัมผัสนั้นก็จะหายไปทันทีปล่อยให้เรามีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงา ทำให้เราต้องคอยหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายนี้มาเติมอยู่เรื่อยๆเยช่นต้องออกไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆต้องไปดูหนังดูละครอยู่เรื่อยๆต้องไปฟังเพลงฟังอะไรต่างๆอยู่เรื่อยๆต้องไปดื่มต้องไปลิ้มรสต้องไปรับประทานขนมนมเนยต่างๆอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุข แต่เวลาใดที่ไม่ได้ทำก็จะมีความรู้สึกกุนกิดลำคาญใจเศร้าซ้อยหน่อยหเหงานั่นก็เพราะว่าความสุขทางร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นความสุขจริงนั่นเองเป็นความสุขปลอมความสุขจริงนี้อยู่ที่ใจของเราที่เราไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้หามาให้กับใจ ใจของเราถึงมีความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่เรื่อยๆหงุดหงิดลาคาญใจอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราไม่ให้ความสุขกับใจของเรานั่นเองถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่รู้ความจริงอันนี้เมื่อเราไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรถึงทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้แต่ชาตินี้เป็นชาติที่ประเสริฐเป็นโชควาสนาอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ น่าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักความจริงที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราก็จะทำอย่างที่เราทำกันอยู่คือหาความสุขตรองไปเรื่อยๆหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆ หาไปได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วเวลาที่หาไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่เราชาตินี้ถือว่าโชคดีได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาที่ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆานานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเป็นเวลาหลายกับด้วยกัน กลับตรงนี้ก็เป็นเวลาหลายแสนล้านปีด้วยกันการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชคคลาภอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงรอยครั้งเสียได้ซ้ำไปการถูกลอตเตอรี่น้อยครั้งนี้จะถือว่าง่ายกว่าการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา และประโยชน์ที่ได้รับจากการถูกวัตเตอรี่ร้อยครั้งก็สู้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เพราะการถูกรัตเตอรี่ยะสิ่งที่เราได้ก็คือเงินทองเงินทองนี้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจของเราได้ นอกจากไม่ดับแล้วยังเพิ่มความทุกข์ใจความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเรามีทรัพย์มากๆเราก็ต้องมีความวิตกกังวลห่วงหวงห่วงว่าห่วงวงา่วงาเงินทองมาเราจะอยู่กับเราไปต่อไปหรือเปล่าหวงไม่อยากจะให้ใครมาขอเงินขอทองของเราเราก็จะอยู่แบบต้องหลบหลบซ่อน หรืออยู่แบบไม่สบายใจเพราะจะมีคนมาหาเรามาของเงินจากเราอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราได้รับจากการถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลได้เงินทองมามากมายแต่เราจะไม่ได้ความความดับทุกข์แต่สิ่งที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาก็คือเราจะได้ความสงบ ได้ความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสงบที่ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้หมดเลยอันนี้แหละคือความความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของใจความไม่มีความทุกข์ใจนี่เองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความสงบ สุขแก่ใจของเราได้นอกจากพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นดังนั้นเราจรึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคอย่างยิ่งใหญ่เป็นเหมือนผู้ถูกลอตเตอรี่ที่แท้จริงเพียงแต่ว่าเราต้องไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเองถ้าเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราไม่ไปขึ้นรางวัลเราก็จะไม่ได้รับรางวัล ดังใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับเราได้ถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องไปรับรางวัล น, นั้นเองการรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เริ่มต้นด้วยการมาวัดในวันพระหรือในวันหยุดการทำงานของเราเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ <c oughs> เพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราขึ้นรางวัลอย่างไรวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนานี้ ก็มีอยู่สขั้นตอนด้วยกันคือ 1. ให้ทำบุญ 2. ให้ละบาป 3. ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือขั้นตอนของการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้รางวัลที่เราจะได้รับก็มีอยู่สี่ ขั้นด้วยกันก็คือขั้นโสดาบันขั้นสกิาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอาบาหานี่คือขั้นของพระอริยเจ้าที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รับรางวัลทั้งสี่ขั้นนี้ตามลำดับขั้นแรกก็จะได้เป็นพระโสดาบัน รางวัลของพระโสดาบันก็คือจะไม่ต้องไปเกิดในอบายเอกต่อไปถ้าตายไปแล้วจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นผีจะไปเกิดเป็นเพศเป็นเทพและจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะบรรลุ ถ, ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต ส่วนลำดันขั้นที่สองก็คือขั้นสกิดาคามีก็จะเหลือพบชาติเพียงชาติเดียวจะกลับมาเกิดไม่มากกว่าหนึ่งชาติก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ส่วนพระอน า, าคามีขั้นที่สามนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไป ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ก็ก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้เข้าสู่พระนิพพานได้เป็นพระอรหันตสาวุนี่คือรางวัลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระเจ้าและเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเองไม่มีใครสามารถที่จะทําให้กับเราได้ พระพุทธเจ้าไม่สามารถปฏิบัติให้กับเราได้พระอารหันต์ทั้งหลายก็ไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้ท่านเป็นเพียงผู้บอกทางเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้สอนเราเป็นเหมือนนักเรียนเราต้องเรียนแล้วก็ทําการบ้านทําตามที่ครูอาจารย์สั่งสอนถ้าเราไม่ทําเราก็จะเรียนไม่จด เราก็จะไม่ได้รับปริญญาอย่างนั้นหน้าที่ของพวกเราจึงอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อใหญ่ๆนี้ข้อที่หนึ่งก็คือให้เราทำบุญอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้การทำบุญนี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นการให้ทานอย่างที่เรามา ให้กันในวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญเพราะว่าเมื่อเราให้ทานแล้วใจของเราก็มีความสุขใจความสุขใจนี้แหละก็คือบุญนี้เองคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจเวลาเราให้ทานแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราจะให้ใครก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้กับพระเท่านั้นถึงจะได้บุญ ให้กับใครก็ได้ถ้าเราให้แล้วเรามีความสุขใจเราก็ถือว่าได้บุญแล้วเช่นให้กับให้กับพ่อกับแม่ก็ได้ก็ได้บุญถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือให้ด้วยความปรารถนาดีคือปรารถนาให้ผู้รับนั้นมีความสุขไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ แต่ถ้าเราให้เพื่อเราต้องการสิ่งตอบแทนเราก็จะไม่ได้บุญเพราะว่าใจของเราจะไม่มีความสุขเพราะเวลาเราให้เราต้องการสิ่งตอบแทนเช่นให้เขาเพื่อให้เขาทำอะไรให้กับเราอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนการซื้อขายนี้ไม่ใช่เป็นบุญ เช่นเวลาเราไปร้านค้าเราเอาเงินทองให้เจ้าของร้านเขาไปแล้วเขาก็ให้ของที่เราต้องการมาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญถ้าอยากจะทําบุญก็ต้องให้เงินเขาแล้วไม่รับของจากเขาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทําบุญอย่างนั้นถ้าเราอยากจะทําบุญแล้วได้บุญขอให้เราทําบุญโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับ อย่าทาบุญเพราะว่าอยากได้สิ่งตอบแทนเช่นอยากได้ความร่ำรวยอย่างที่บางที่เขาสอนให้ทำกันทำแล้วจะได้ร่ำไรรวยเช่นวันออกลอตเตอรี่ก็มาทําบุญใส่บาตรตอนเย็นจะได้ถูกลอตเตอรี่อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทาบุญเรียกว่าเป็นการซื้อขายกันและส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ เสียเวลาเปล่าๆเสียเงินทองปลๆทำบุญแล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนถ้าเราอยากจะได้ความสุขใจทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับองค์กรสาธารณะอุสลต่างๆก็ได้นี่คือเรื่องของการทำความดี ที่เกิดจากการให้เราเรียกว่าทานบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นยังมีหลายประการด้วยกันบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมก็ได้บุญเหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเบาอกเบาใจเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบุญหรือบุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้ก็เป็นบุญ เช่นเราไม่มีเงินทองที่จะให้เขาแต่เรามีเวลามีกำลังกายเราก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้บางท่านก็มาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำของวันอย่างนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันทำบุญแล้วทาแล้วทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาหรือเวลาที่เราทำบุญแล้ว เราอยากจะแบ่งบันบุญให้แก่ผู้ร่วมรับไปแล้วเราก็ได้บุญเหมือนกันเช่นตอนนี้ญาติโยมมาทําบุญเดี๋ยวเวลาพระให้พรยะถาสักพีตอนนั้นญาติโยมก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วมลับไปแล้วก็จะทําทให้ใจมีความสุขใจเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่งก็ได้บุญสองต่อได้บุญจากการทําทาน เรายัางได้บุญจากการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนคุสงีนี่คือการทำบุญต่างๆที่เราควรจะทำกันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะบุญที่สำคัญที่สุดก็คือการชำระใจให้สะอาดบอยสุดเรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นบุญที่จะต้องเกิดจากการฟังเทศ์ฟังธรรมก่อน เพราะว่าถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่ามีบุญอะไรบ้างบุญไหนสำคัญกว่ากันบุญที่สำคัญที่สุดก็คือบุญที่เกิดจากการจากการภาวนาคาว่าภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจทําให้ใ จ, จเจริญทําให้ใจมีความสุขมากขึ้นวิธีที่จะทํา ภาวนานี้ท่านก็แบ่งไว้สองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเรียกว่าสมถาภาวนาขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาก่อนที่เราจะเข้าสู่วิปัสสนาภาวนาได้เราต้องผ่านสมถาภาวนาก่อนเหมือนกับเรียนหนังสือก่อนที่จะขึ้นป .2 อ เราก็ต้องเรียนปหนึ่งก่อนยกเว้นว่าเราเรียนปหนึ่งมาแล้วเราก็เรียนปสองได้เลยบางคนชาติก่อนอาจจะเคยเรียนปหนึ่งมาก่อนเคยผ่านสมถะภาวนามาก่อนสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สะกบได้อย่างรวดเร็วท่าน น, านั้นก็ไม่จงเป็นต้องมาเรียนสมถะภาวนาสามารถเข้าเรียนขั้นที่สอง คือวิปัสสนาภาวนาได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่สามารถทำใจของเราให้สงบให้เป็นสมาธิได้เราต้องพยายามทำให้สงบก่อนเพราะถ้าใจเราไม่สงบเราจะไม่สามารถปฏิบัติขั้นที่สองคือวิปัสสนาได้เพราะขั้นวิปัสสนานี้เราต้องศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลาย ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนการที่จะมองเห็นความจริงในระดับนี้ได้ใจของเราต้องมีความสงบต้องมีความใสเหมือนกับแว่นตาที่จะต้องได้รับการเช็ดให้ใสสะอาดก่อนก่อนที่เราจะสามารถเห็นอะไรต่างๆถูกต้องตามความจริงได้ถ้าแว่นตาเราบัว ท่นมีหมอกมีฝ้ามาปกคุมไว้เวลาเรามองจะมองเห็นไม่ชัดเห็นแมวก็อาจจะคิดว่าเป็นสุนัข ก, กระดาษเห็นกวางก็อาจจะคิดว่าเป็นม้ากระดาษเพราะว่าแว่นตาเรามัวมองไม่เห็นชัดนั่นเองฉันใดถ้าใจของเราไม่สงบใจของเราก็จะไม่ใส่ไม่สว่างจะไม่สามารถมองเห็นความจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้เช่นเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วต้องมีการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขพวกเรามองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆเรากลับเห็นว่าเป็นความสุขเห็นสิ่งนั้นก็ว่าสุขเห็นคนนั้นก็ว่าสุขเห็นแล้วก็อยากจะได้มาเป็นสมบัติของเรา แต่พอได้มาแล้วก็ถึงจะมารู้ทีหลังว่าได้ความทุกข์มาเพราะเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมีความรักความหวงความห่วงและความเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปนี่คือสิ่งที่ใจของผู้ที่ยังไม่มีความสงบจะไม่สามารถมองเห็นจะไม่คิดถึงจะคิดแต่ว่าดีอย่างเดียวสุขอย่างเดียว เห็นอะไรน่ารักน่าชอบก็อยากจะได้อย่างเดียวไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เรารักเราชอบนี้เขาจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งเขามาเราได้เขามาแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนไปเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเวลาได้มามันก็ใหมยย่เอี่ยมดีไปหมดแต่พอใช้ไปใช้ไปต่อไปมันก็จะเสือ่อมมันก็จะเก่าลง เช่นรถยนต์เวลาซื้อมาใหม่ๆก็ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอใช้ไปนานๆเข้าไอ้นั่นก็เสียไอ้นี่ก็เสียต้องเอาเข้าอู่อยู่เรื่อยๆเวลาเข้าอู่ทีก็ทาให้เราหงุดหงิดลำคาญใจเพราะไม่สามารถใช้รถยนต์ตามที่เราต้องการใช้ได้อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเพราะว่าใจของเราไม่สงบพอนั่นเอง ถ้าใจสงบพอแล้วใจจะมีเหตุมีผลถึงแม้ว่ามีความจำเป็นจะต้องหาอะไรมาต้องการอะไรมาก็ต้องคิดหลายรอบก่อนว่าได้มาแล้วคุ้มค่าหรือไม่ได้มาแล้วมันทุกมากกว่าสุขหรือสุขมากกว่าทุกถ้าสุขมากกว่าทุกก็ไม่เอามาดีกว่ า, ถ, าถ้าสุขมากกว่าทุกก็เอามา แต่ถ้าทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่เอามาดีกว่าเพราะคนที่มีความสงบแล้วนั้นมีความสุขอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆแต่ถ้าใจยังไม่สงบนี้จะไม่มีความสุขใจพอเห็นอะไรปั๊บก็อยากได้ทันทีก็จะคิดว่าดีมากจะให้ความสุขกับเรามากแต่พอได้มาแล้ว ถึงจะมารู้ทีหลังแต่พอรู้แล้วก็สายเกินไปเพราะว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกได้มาแล้วถึงแม้จะมีความทุกข์ก็ไม่กล้าทิ้งไปไม่กล้าอยู่ตามลำพังอยู่กับเขาก็ต้องมีความทุกข์กับเขานี่คือปัญหาของพวกเราเพราะพวกเราไม่มีความสงบนั่นเองถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีความสุขในตัวของเรา เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่วุ่นวายกับการไม่มีสิ่งต่างๆทุกวันนี้ที่พวกเราอยังต้องหาสิ่งต่างๆอยู่ก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขในตัวของเราเราจึงต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆแต่ความสุขที่เราได้มานี้มันมีความทุกข์แถ้มาด้วยแต่เราก็ไม่มีทางเลือกเพราะเราไม่รู้ว่า เราสามารถหาความสุขที่ดีกว่าได้จนกว่าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราหาความสุขจากการเจริญสมถภาวนาทําใจให้สงบวิธีทําใจให้สงบก็คือต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับคำว่าพุโทโธเพียงอย่างเดียวใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสงบ พ, พบกับความสุขในตัวของเราเราต้องพยายามเจริญสติคือบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเรา เมื่อเรามีความสุขกันนี้แล้วเราก็สามารถเจริญปฏิบัติขั้นต่อไปได้ก็คือวิปัสสนาภาวนาคือสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้ไม่อยากมีอะไร เราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลานี่คือรางวัลที่เราจะได้รับจากการมาพบกับพระพุทธศาสนามาปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนสามขั้นด้วยกันก็คือทาบุญละบาปและชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำกันอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าไม่นาน เราก็จะได้รับรางวัลที่หนืออย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจของเรามารับรางวัลอันประเสริฐด้วยการทำบุญละบาและชลาระใจให้สะอาดบริสุดิ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อรัรางวัลอันยิ่งใหญ่ ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตน์จัยและมุนกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขแลกความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้าการเท